พระและชายขอทานการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายขอทานและเขาพยายามที่จะรวบรวมอาหารเขาสังเกตว่าอาหารของเขาจะหายไปทุกวันแล้ววันหนึ่งเขาก็จับหนูที่ขโมยอาหารของเขาได้อาเจ้าหนูทำไมแกถึงมาขโมยอาหารของฉัน ฉันเป็นขอทานนะไปขโมยอาหารจากคนที่รวยกว่าฉันสิพวกเขาไม่รู้หรอกแต่มันเป็นโชคชะตาของฉันที่ต้องขโมยจากนายอะไรนะทำไมเพราะว่ามันเป็นโชคชะตาของนายที่มีแค่ของแปดอย่างในครอบครองนะสิไม่ว่านายจะขอเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่านายจะรวบรวมได้มากแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่นายจะมีชายขอทานตกใจและเสียใจใครจะอยากได้ความโชคร้ายออ ทำไมถึงเป็นโชคชะตาของฉันฉันก็ไม่รู้บางทีนายน่าจะลองไปถามพระดูนะบางทีท่านอาจจะรู้ก็ได้แล้วชายขอทานก็เริ่มเดินทางไปหาพระเขาเดินทางทั้งวันจนพระอาทิตย์ตกแล้วเขาก็พบตัวเองอยู่ในบ้านของเศรษฐีเขาเหนื่อยและง่วงนอนเขาตัดสินใจที่จะพักที่นี่แล้วเขาก็ไปเคาะประตู สวัสดีครับท่านมันเริ่มมืดแล้วและผมก็ไม่ใช่คนแถวนี้ขอค้างที่นี่ได้ไหมอ๋อโอเคเข้ามาสิและชายขอทานก็เข้าไปในบ้านและเศรษฐีก็เริ่มถามอันนี้พ่อหนุม่มน่าจะไปไหนทำไมถึงเดินทางดึกนักโอ้โหผมมีคำถามจะถามพระแล้วผมจะไปเจอท่านแล้วตอนนั้นภรรยาของชายคนนั้นก็ได้ยินเข้า ฉันฝากไปถามคำถามกับพระได้ด้วยหรือเปล่าออโอเคโอเคผมคิดว่าน่าจะถามแทนคุณได้คำถามคุณคืออะไรอ๋อเรามีลูกสาวอายุ16ที่ไม่สามารถพูดได้เราก็แค่อยากจะถามว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้เธอพูดได้นะ่ะเช้า ว, วันรุ่งขึ้นชายขอทานขอบคุณพวกเขาสำหรับที่พักและสัญญาว่าจะถามคำถามให้ ลาก่อนนะและเขาก็เดินทางต่อและเห็นภูเขาที่เขาต้องข้ามไปโอ้พระเจ้าฉันจะข้ามไปได้ยังไงชายขอทานข้ามภูเขาไปและเขาก็พบกับพ่อมดกุณครับช่วยพาผมข้ามภูเขานี้ได้ไหมโอ้ขึ้นมาซีชายขอทานขึ้นไปบนไม้เท้าของพ่อมดเขานั่งอยู่หลังพ่อมดพ่อมด ใช้ของวิเศษของเขาที่จะพาชายหนุ่มและตัวเขาบินข้ามภูเขาไปพวกเขาบินข้ามทะเลระหว่างภูเขาและพ่อมดก็เริ่มถามชายขอทานนายจะไปไหนแล้วทําไมถึงต้องข้ามภูเขาด้วยละ่ะเออผมจะไปหาพระและถามคําถามเกี่ยวกับโชคชะตาของผมโอ้จริงเหรอ ฉันฝากคําถามไปถามพระด้วยได้ไหมฉันพยายามที่จะขึ้นสวรรค์มาเป็นพันปีแล้วตามที่ฉันเข้าใจฉันต้องได้ขึ้นสวรรค์แล้วนายช่วยไปถามพระให้ด้วยได้ไหมว่าต้องทําอย่างไรฉันถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เออแน่นอนผมจะถามคําถามให้ท่านแล้วชายขอทาน ก็เดินทางต่อเขามาเจอกับอุปสรรคสุดท้ายนั่นคือแม่น้ำที่เขาไม่สามารถข้ามไปได้โอ้แล้วฉันจะข้ามแม่น้ำลึกนี้ไปได้ยังไงกันโชคดีที่เขาเจอกับเต่าตัวใหญ่ที่จะพาเขาข้ามไปพวกเขาข้ามแม่น้ำไปและเต่าตัวใหญ่ก็เริ่มทามนหยจะไปไหนเหรอฉันกําลังจะไปหาพระ เพื่อไปถามคําถามเกี่ยวกับโชคชะตาของฉันฉันฝากถามคําถามให้ฉันได้ไหมเออแนนอนสิอะไรล่ะฉันพยายามที่จะเป็นมังกรมาห้าร้อยปีแล้วตามความเข้าใจของฉันฉันต้องได้เป็นมังกรแล้วตอนนี้ฉันต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นมังกรช่วยถามให้ฉันได้ไหมขอบคุณมากนะเต่าตัวใหญ่ที่พาฉันข้ามมาด้วยความยินดีแต่ว่าอย่าลืมคำถามฉันละ่ะออแน่นอนฉันจะไม่ลืมถามให้หนายชายขอทานเดินทางต่อเพื่อที่จะไปเจอกับพระแล้วเขาก็เดินทางมาถึง ชายขอทานยืนอยู่หน้าอารามและหายใจลึกๆอใ oh, นที่สุดฉันก็มาถึงและพบกับพระแล้วชายขอทานก็เดินเข้าไปสดใสและตื่นเต้นและพร้อมที่จะถามคำถามของเขาและของคนอื่นๆและตอนที่เดินเข้าไปเขาก็ได้คํานับพระได้โปรดทำตามคําขอของฉันด้วยเถอะ ฉันได้เดินทางมาไกลเพื่อที่จะถามคำถามท่านได้ไหมได้โปรดได้สิแต่ว่าฉันตอบคำถามนายได้แค่สามคำถามชายหนุ่มตกใจเพราะว่าเขามีถึงสี่คำถามแต่ว่าฉันมีสี่คำถามฉันต้องทำอย่างไรแล้วเขาก็คิดอย่างรอบคอบเขาคิดถึงเต่า เต่าอยู่มาถึง500ปีเพื่อที่จะเป็นมังกรน่าสงสารชีวิตทั้งหน่าเศร้าที่ต้องอยู่ในใต้น้ำลึกนั่นแล้วเขาก็คิดถึงพ่อมดที่อยู่มาพันปีเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์โอ้ 1,000 พันปีมันนานมากเลยเขาสมควรจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วและสุดท้าย เขาคิดถึงเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่แบบพูดไม่ได้โอ้ชีวิตที่พูดไม่ได้ช่างทรมานมากฉันเป็นเพียงแค่ขอทานฉันสามารถกลับบ้านและเป็นขอทานได้ฉันชินกับมันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสำหรับพวกเขาทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปได้ถ้าเขาได้คำตอบ เขามองปัญหาของทุกคนและปัญหาของเขาก็ดูเหมือนจะเล็กไปเลยเขารู้สึกสงสารเต่าสงสารพ่อมดและสงสารเด็กสาวดังนั้นเขาจึงตัดสินใจถามคาถามเพื่อพวกเขาและรอฟังคาตอบจากพระเต่าไม่เคยคิดจะทิ้งกระดองตราบใดที่เต่าไม่ยอมทิ้งความสบายของกระดองเต่าจะไม่มีทางเป็นมังกรได้ โอ้ใครจะไปคิดล่ะพ่อมดมักจะถือของวิเศษของเขาโดยที่ไม่วางลงมันเป็นสิ่งยึดติดทำให้เขาไม่สามารถไปสวรรค์ได้อ๋อฉันจะไปบอกเขาแล้วของเด็กผู้หญิงล่ะสำหรับเด็กผู้หญิงเขาจะพูดได้เมื่อเขาได้พบเนื้อคู่ของเขาขอบคุณมากท่านพระผู้ยิ่งใหญ่ มองเขาและยิ้มให้ชายขอทานโค้งคำนับพระและเดินทางกลับเขากลับไปพบกับเต่าตัวใหญ่นายได้ถามคำถามไหมโอ้ใช่ถามสินายต้องถอดกระดองออกแล้วนายจะได้กลายเป็นมังกรเต่าถอดกระดองออกในกระดองมีไข่มุกล้ำค่าอยู่จากท้องทะเลลึกและเต่า ก็ให้ไข่มุกนั้นกับชายขอทานนอยเอาไปสิมันคือคำขอบคุณจากฉันฉันไม่ต้องการมันแล้วเพราะฉันเป็นมังกนแล้วขอบคุณมากชายใจดีแล้วเขาก็บินจากไปชายขอทานได้พบกับพ่อมดอีกครั้งที่ภูเขา คุณต้องวางของวิเศษของคุณลงแล้วคุณจะได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอนั่นคือสิ่งที่พระบอกแล้วพ่อมดก็ปล่อยของวิเศษของเขาลงและให้กับชายขอทานและกล่าวขอบคุณเขาเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ลาก่อนพ่อหนมเป็นคนดีละ่ะตอนนี้ชายหนุ่มมั่งมีด้วยไข่มุกจากเตา และได้พลังจากพ่อมดแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านที่ให้ที่พักกับเขาพวกเขาดีใจที่ได้เห็นชายหนุ่มกลับมาและรอฟังคำตอบพระผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าลูกสาวของท่านจะพูดได้เมื่อได้พบกับคู่แท้แล้วในตอนนั้นลูกสาวของเขาลงมาข้างล่างและเริ่มพูดเฮ้ย hey! คุณคือชายคนเดียวกันกับคนอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าเด็กหญิงและพ่อแม่ของเขาตกใจ พวกเขามองดูชายขอทานเขาคือคู่แท้ของเด็กสาวพ่อแม่ของเขาจัดงานแต่งงานให้และพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปดังนั้นจำไว้เพื่อนความดีทุกอย่างที่ได้ทำไว้มันจะย้อนกลับมาหาเรา